อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมราบารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เป็นเชา้าวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่าเดือน8นะคะปีมโรงค่ะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสากรฉากับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโน ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเคลนปิดวาจาตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไถ่โศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไหโ่โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็มีพระเดชพระคูหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัวพโสหรือท่านพระคูสิทธิภพภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตยอย่างสูงเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพระสการ พระอาจารย์ภั ย, ยบูรณ์อภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำพัส ก, การเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขะเทียนปาลสาธุเจ้าค่ะสำหรับช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็อยากจะขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าคะที่จะนำะปัญหาของคุณผู้ใช้นามว่าโยมเกศรมนซึ่งเป็นน้ำแฝงนะเจ้าค่ะ เขียนมาเป็นจุดหมายมาจากจังหวัดลําพูนเขียนมาถามอยู่สองข้อด้วยกันเจ้าค่ะขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ที่จะนํามาถามเพราะว่าคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการรับฟังการตอบปัญหาหรือว่าการที่จะนําพุทธวจนะหรือคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยที่เกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นที่คุณเกศสอนมนได้ถามมาจากจังหวัดลําพูนนี้เนี่ย ก็จะได้รับฟังเป็นประโยชน์กันด้วยนะเจ้าคะ่ะเขียนผานเจ้าคะ่ะอันแรกข้อแรกที่คุณเกษรนมนจากจังหวัดตมพูนเขียนถามมาอ่าอันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านอื่นเป็นอย่างนี้หรือไม่แต่สําหรับตัวโยมเองนี่เวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี้ไม่ได้เป็นอย่างคุณโ ย, นะยมเกษรนมนะเจ้าค่ะคุณโยมเกษรมนบอกว่าเวลานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยพอท่านนั่งไปได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเนี่ยจะร้อน แล้ววงเล็บมาว่าไม่เหมือนเป็นไข้นะเจ้าคะคนอื่นก็ร้อนอย่างพี่สาวก็บอกโยมว่าทําสมาธิแล้วเนี่ยจะตัวร้อนคือแบบตัวร้อนขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่อากาศโดยรอบก็กเย็นก็คือหนาวทีนี้สําหรับคุณโยมเกศน์มลเนี่ยก็บอกว่าเป็นอย่างนี้เสมอเลยทั้งๆที่ทําคนละสถานที่คือทําทั้งที่บ้านตัวเองอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะแล้วก็ทําที่อื่นก็ตามเนี่ยตัวก็จะร้อนอย่างนี้อยูอย่เรื่อยเลยท่านก็ถามมาว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไร เกิดพลังหรือเปล่าแล้วท่านก็เล่าว่าเคยมีหมอดูเนี่ยเคยบอกท่านมานานแล้วว่าตัวของท่านเองเนี่ยคุณสอนมนเนี่ยเกศสอนมนเนี่ยค่ะมีพลังแต่ไม่รู้จักใช้พลังใจหรือว่าพลังกายก็ไม่ทราบแหะหคุณหมอดูท่านก็บอกไว้ตอนนั้นน่นเจ้าคะตั้งแต่ยังที่คุณเกศสอนมนท่านยังไม่ได้นั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเลยเ เจ้าค่ะก็เลยได้เขียนถามมาด้วยความสงสัยว่ามันมันเป็นยังไงแน่เจ้าค่ะขอกราบน้ันมศ ก, การเลยเจ้าค่ะอันนี้ข้อที่1ของคุณเกษอมรณจริงๆปัญหาเนี้ยได้ตอบไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่จบก็เลยมาพูดคุยต่อในวันนี้แล้วก็มีประเด็นที่จะเพิ่มเติมด้วยนั้นดะับแรกก่อนอคือเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นในในตัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ว่าตัวร้อนๆหรือร อ, อุ่นๆขึ้นมานะยังรวมถึงบางคนรู้สึกง่วงนอน บางคนรู้สึกไอ้ตัวทําไมสั่นๆบางคนก็รู้สึกเหมือนกับตัววิววิเหมือนลอยขึ้นบาง ค, คนก็เหมือนโบโบลึกลงไปบุ๋มลงไปแต่บางคนรู้สึกคันบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาไต่นี่มันเป็นได้สารพัดแตเพราะว่าจิตของเราเนี่ย ม, มันละเอียดมากเป็นเดินใจนะ ม, นมันเกิดจากอะไรคือการที่จิตของเราเข้าไปรับรู้ต่างต่างอย่างบางทีเรานอนอยู่เนี่ยเรารู้สึกถึงว่าหัวใจเราเต้นทุบๆๆอย่างเงี้ยก็มีนะ อตาตมาก็เคยเป็นโอ้เรารู้สึกถึงจังหวะการเต้นหัวใจเราเลยนะซึ่งปกติเราจะไม่ได้สังเกตแล้วหรือมีหลายๆคนน่ยที่ไม่เคยไม่เคยสังเกตลมหายใจตัวเองเลยนะพอมานั่งได้ฝึกปฏิบัติโอ้ลมหายใจของเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันเย็นๆเนี่ยเอาก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันอันนี้คือลักษณะของจิตเขาเข้าไปรู้ะนะเช่นเดียวกันในความรับรู้เหล่านี้มันมีอยู่ตอลอดเวลานะไอสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกเนี่ย นะมันก็คือจะเป็นลักษณะของสัญญาบ้างเป็นลักษณะของเวทนาบ้างนะที่นี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันก็เกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างถูกไหมคือหมายความว่าความรับรู้ที่จิตเขาปรับรู้เนี่ยบางทีมันก็รู้บางทีมันก็ไม่รู้บาง ท, มมางทีมันก็เกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่และคนจะแตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะใช่แล้วไอ้ที่แตกต่างกันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตลอดด้วยนะคือไม่สามารถทําซ้ําให้เกิดขึ้นได้ด้วยแในบางทีมันจะมามันก็มางมันเองในบางทีมันมาครั้งเดียวมันไม่เคยมาอี มันมีแต่กวนใจเราทํำให้เราคิดอยู่ได้ทำไมวันนั้นมันเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเกิดขึ้นครั้งเดียวอย่างนี้เป็นต้นกันนะก็ยังมาตามกวนใจอยู่ได้นนี่คือลักษณะของเขาเรียกว่าเบทนาหรือสัญญาคือมัมีลักษณะที่มีความไม่เที่ยงลักษณะอย่างนี้คือไม่เที่ยงถูกไหมมันเป็นแบบว่ามันเดี๋ยวพูบๆโผล่ๆเวลาต้องการให้มันมามันไม่มาเวลาไม่ได้คิดนึกอะไรมันดันมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มันบางทีมาครั้งเดียว หรือบางทีมาทุกครั้งทําได้ทุกครั้งก็แต่ก็ไม่ได้เกิด24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะความไม่เที่ยงคุณผู้ชมบอกถามพระนะตอนนั้นเคยถามพระสงฆ์เอาไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณเดินใจว่าเป็นทุกข์เจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นคําตอบที่ถูกต้องสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์ไหมล่ะทำให้เรามากงบลทำใหเราหลายสิปีมาแล้วก็ยังมาถามามันนคืออะไรว่าเนี่อย่างี้ย เมื่อยี่สิบสามสิบแม้สี่สิบปีมาแล้วเนี่ยก็มาถามว่าเอ้ท่านท่า น, านอันนี้มันคืออะไรนะผมทําได้เมื่อสี่สิปีมาแล้ว<ช>อ้าว<ช>มันมันน่าจะจบไปแล้วนะเอ่อคือตั้งสี่สิบปีมาแล้วอย่างเงี้ยนะกูะยังมาถามอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังลักษณะของว่ามีการคาใจใช่ไหมไอ้คาใจเนี่ยทาให้เราเป็นทุกข์มันค้างๆคาๆไม่รู้คําตอบคืออะไรใช่ไหมเอ่อถามกุญแจใจอย่างนี้ว่าเอา้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา อ่าเป็นอนัตตาโจถา ม, มเป็นคําตอบ ท, ที่ถูกต้อง <c oughs> นะถ้าผู้เจ้าจะ <c oughs> จ ะ, จะก็ต้องสอนอย่างนี้ผู้เจ้าท่านก็นจะสอนอย่างนี้ ว, ว่าจริ่งได้เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยผู้เจ้าบอกต่อเอาไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไัอีครั้งหนึ่งนะอันนั้นอ่ะไอความรู้สึกนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นเรานะไอความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่ใช่ของเรานะไอความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะ <Okay. S 1> สิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอควรจะทำยังไงก็ต้องปล่อยวางใช่ต้อง<ห>ละ <ไป S 1> มันเสีย <ไป S 1> สใช่ <okay. S 1> ต้องลกมันเสียไม่ต้องสนใจเลยคำตอบง่ายๆนะก็คือว่าอย่าไปสนใจมันง่ายที่สุดแล้วนะทีนี้กว่าจะไปถึงคาตอบว่าจุดว่าเธอไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันเนี่ยคุณจะต้องผ่านเรื่องอนัตตามาก่อนคุณจะต้องผ่านเรื่องทุกมาก่อนคุณจะต้องผ่านไม่เที่ยงมาก่อน นี้ประเด็นว่าเอ้ยทาไมเรายังถึงยังไปสนใจมันอยู่ทาไมเราไม่สามารถปล่อยวางเขาได้ทาไมเราไม่สามารถเห็นว่าเขาเป็นเอ่อเป็นไม่ใช่ของเราได้อะก็เพราะว่าเรายังเห็นมันเป็นอัตราอยู่ไงเรายังเห็นว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยจะเป็นความรู้สึกร้อนๆที่ตัวหมอดูเคยพยากรณ์อย่างนี้เอ้เอาคาพูดของหมอดูมาเป็นเรื่องเป็นราเป็นอัตราขึ้นมานะเราจึงเป็นทุกข์ไง เราจึงยังจะต้องมาถามอยู่เราจะต้องสงสัยอยู่เราจะต้องกังวลอยู่เราจึงเป็นทุกข์อยู่เพราะเราเห็นมันเป็นโดยความเป็นอัตตาแล้วเราทํำยังไงเราต้องเห็นเขาโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นเขาโดยความเป็นอนัตตาทํายังไงนี่ไงก็เพราะว่ามันทุกข์ไหมล่ะมันทุกข์อยู่มันกวนใจเราใช่ไหมมันทุกข์อยู่แสดงว่ามันเป็นอะไรไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงตรงนี้แหละถ้าคุณเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะคุณจะปล่อยวางได้ เห็นไหมพอเห็นไม่ใช่ว่าเราเห็นไม่เที่ยงปุ๊บเราคุณจะปล่อยวางทันทีนะคือต้องเห็นด้วยความเป็นไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่จนกระทั่งว่าจิตเรามันเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายแล้วเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่สนใจพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นความร้อนบางคนนั่งแล้วมือเท้าเย็นคนเติใจเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะทําไมมือเท้าเย็นเดี๋ยวพี่เช็คหัวใจหมอก็บอกคุณไม่เป็นอะไรนะมันก็จะเป็นอะไรเล่าก็มันเป็นอาการของจิตธรรมดา นะถ้าเราพูดโดยพุทธวจนะคุณเตืนใจผู้ชาบอกอย่างนี้บอกว่าไอ้พวกนี้คือการปรุงแต่งของจิตนะให้เธอเนี่ยรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตนะให้ใจเข้าให้ใจออกนะแล้วก็สเตปที่2อขั้นตอนที่2ก็คือว่าทําการปรุงแต่งของจิตนั้นเนี่ยให้ระงรับนะให้ใจเข้าให้ใจออกเพราะฉะนั้นไอ้การปรุงแต่งของจิตตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นเฉพาะส่วนของร่างกายหรือทุกส่วนของร่างกาย อาการสถานการณ์อาการรู้สึกอะไรก็แล้วแต่วิววิขึ้นลงซ้ายขวาอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยนะมันปล่อยวางซะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่าสนใจมันโยนมันทิ้งไปอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันมันมากันหรือมันไปซะนะเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้เท่านั้นไม่เที่ยงแม้ลมในใจเราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวถ้าเราฝึกเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตเราจะชํานาญในการที่จะมันมาว๊อบปุ๊บเราปล่อยปั๊บ เพราะว่าจิตของเรามันยังมีกาวหนึดอยู่ที่ที่ผิวจิตของเราน ะ, ะนั่นคือตันหาใช่ไหมพอมีอะไรมันกระทบปุ๊บมันติดปั๊บเลยคุณเตือนเคยเห็นไใ้กับดักหนูนะอืหรือแมลงวันน ะ, ะเจ้าคะเขียวเขียวมันโหดมากนไหมคือคือพระเจ้าเคยยกตัวอย่างลิงเนี่ยลิงติดตั่งเนี่นะเขาเอายางเหนียวของไม้เนี่ยวางเอาไว้เพื่อล่อลิงเอาผลไม้วางไว้ตรงกลางแล้นลิงก็จะก้าวเข้ามาปุ๊บมันก็จะยื่นมือไปแตะแตะก่อนอ้าวมือขวาติด พอมือขวาติดปุ๊บมันก็คิดว่าจะเอามือซ้ายเนี่ยไปช่วยดึงมือขวาออกมามือซ้ายติดด้วยมือซ้ายติดด้วยทําไงเอาเอาขาขวาก็ไปเขี่ยวๆเพื่อจะได้ให้ไอ้ทั้งสองมือมันหลุดออกมาขาขวาก็ติดด้วยคุณเตืนใจคเอาดังนั้นจะเอาขาซ้ายก็ไปเขี่ยวๆเพื่อให้มันหลุดออกมาเนี่ยขาซ้ายก็ติดด้วยครับแล้วทําไงดีเหรอเออติดหมดเลยสี่สีข้างติดหมดแล้วทําไงดีหมดทางสู้แล้วเอาปากช่วยเอาปากเขี่ยวๆเพื่อจะให้สี่ขาเนี่ยหลุดออกมาปากก็ติดด้วยคุณเตืนใจ นี่คือลักษณะงตันหาแล้วเราคิดว่าเราจะไปคุยหาเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเอ็นี่มันคืออะไรกันแน่เกิดจากเหตุอะไรไปดูหมอสักสามี่เจ้าติดด้วยไอ้สิ่งนั้นติดคุณอีกยิ่งทําให้คุณขมวลมากขึ้นไปอีกเฮ้ยมันไม่ไปไหวเจ้าเอาไปสารเจ้าอย่างนี้สารเจ้าอย่งนี้ปรึกษาคนนั้นคนนี้ยิ่งเป็นเรื่องราวไปใหญ่โตหยุดหยุดหยุดหยุดวางเลยวางซะไม่ต้องสนใจนะคือไม่เราเราไม่ตายวันนี้เราก็ตายวันอื่น เราไม่ตายวันนี้เราก็ตายวันต่อๆไปสักวันใดเราหนึ่งเราก็ตายอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเราจะตายเราปล่อยวางซะดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราพูดถึงจุดสูงสุดของชีวิตว่าคุณคงไม่อยากตายนะถ้าคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่จะทำให้ฉันตายเนี่ยนะเออเราปล่อยวางให้ได้ซะก่อนเถอะตายไม่ตายไม่เป็นไรนะตายไม่ตายยังไงเราก็ตายอยู่ดีอย่างเงี้ยถ้าเราคิดถึงได้ระดับนี้เนี่ยเราจะเราจะปล่อยวางได้ดังคือคนที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีความชานาญในการที่เขียความไม่เที่ยง นคีคือถ้าจิตของเราเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงนัไม่เที่ยงเนี่ยไอ้กาวตรงนี้มันค่อยๆบางลงบางลงบางลงนีพราะมีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะไม่ติดมีอะไรที่มันแบบนึบๆมันจะทําให้เราติดเนี่ยมันมันพลวดหลุดไปเลยมันไม่ติดจิตของเราเหมือนน้าที่อยู่บนใบบอลนีหรือไอ้อะไรที่มันไม่ติดน้ำเนี่ยนะใบบัวเนี่ยใบบัวหรือใบบอลเนี่ยไม่ติดน้ำเนี่ยทั้งๆที่เกิดมาจากน้ําต่เราชอบเปรียบเทียบอย่างเงี้ยก็ นะแต่พอเราฝึกภาวนาไปฝึกภาวนาไปจนกระทั่งดีแล้วเนี่ยจิตของเรามีอะไรมามันก็ไม่ติดนะปล่อยวางได้เหมือนกับใบบัวเกิดจากต้มเกิดจากเลนเกิดจากน้ําแต่น้ําโดนมันไม่ติดมันพอมันพอมันสมบูรณ์ของมันแล้วเจ้าค่ะนะเช่นเดียวกันในลักษณะนี้ธรรมะก็จะต้องบอกว่าเออไม่มีอะไรวางปล่อยวางซะอย่าไปสนใจมัน <Okay. S 1> นะแล้วก็ถ้าผมว่าเราบอกว่าเราเป็นคนมีพลังนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จะใช่อันนี้ยิ่งยิ่งที่จะต้องออใช้ประโยชน์จากพลังที่เรามีเลย ถาว่าไอทำไมเราถึงไม่รู้จักใช้พลังที่เรามีเนาะนะคืออย่างบางคนเนี่ย เ, เด็กบางคนนี่นะคุณเใจในเรหนังสือไม่เอาไหนเลยจะใช้มานั่งอ่านหนังสือเนี่ยนั่งไม่ไหวเลยไปลิงเล่นนั่นนี่อะไรไป แ, แต่ <Okay. S 1> พอให้นั่งเล่นเกมเนี่ยสามชั่วโมงหกชั่วโมงจนมันไม่กินข้าวกินปลาเนี่ยมันนั่งเล่นอยู่ได้คนเดียวนิ่งๆอยู่แล้วท <Okay. S 1> ําไมเขามพลังมาจากไหนเนืกออกไหมเขาเอาสมาธิตรงนั้นมาจากไหนความที่จิตเป็นหนึ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวน้ําถ้าไม่กินห้องน้ําไม่ไป 6-7 ชั่วโมงตัวเราเองก็เคยเป็นนะสมัยก่อนเราทํางานวิจัยตอนที่เรียนวิศวะอยู่ปี4 <บ>ต่อวงจรเนี่ยแล้วก็ภาษาวิศวกรเขาเรีดีบักบอร์ดแก้โปรแกรมเปลี่ยนโปรแกรมทดสอบตรงนั้นทดสบตรงนี้เนี่ยเราทําตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นเนี่ยจนกระทั่งถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ไป<ม>ไหนเลยไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้ไปห้องน้ำคลุกอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยประเด็นที่ต้องพูดก็คือว่าถ้าเรามีพลังนี่นะ เราต้องรู้จักเอาพลังของเราเนี่ยออกมาใช้นะสิ่งใดจะทํายังไงให้เรารู้จักเอาพลังของเราออกมาใช้นั่นก็คือการที่ฝึกจิตนะการที่ฝึกจิตเนี่ยจิตคุณถ้าฝึกแล้วเนี่ยนะคุณจะสามารถจับวางจิตตรงไหนตรงไหนได้เช่นว่าในสถานการณ์อย่างนี้คุณต้องอากาคิดยังไงคุณจับวับจิตวางได้เลยนะทุก ว, วันนี้จะเป็นยังไงทุกวันนี้ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบบางทีเราคิดไม่ออกเนะ่ปัญหาที่เราต้องแก้ได้ต้องการแก้มันนึกไม่ออกมันแก้ไม่ได้ ชื่อคนนี้แม่เจอขึ้นมาตั้งนานไม่รู้เขาชื่ออะไรนึกไม่ออกนะัะนั่นคือการที่เราไม่รู้จักมีพลังไม่รู้จักใช้นะจิตเราไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้แต่ว่าถ้าต้องทำไงเราจะต้องฝึกจิตนะให้จิตอยู่ในอำนาจของเรานั้นะจิตที่ฝึกไม่ได้นะคุณตื่นใจทำไมคุณตื่ใจไม่เอ า, เอาสิงโตเสือมาเลี้ยงที่บ้านนะนนที่มันเป็นสัตว์ที่มีกำลังสมบูรณ์ด้วยความเร็วมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดแต่มันแค่มันไม่เชื่องนั่นเอง เพราะว่าเราจะสั่งให้มันหนีเนี่ยสั่งให้มันนิ่งเนี่ยมันจะกินเราเนถ้าเราใช้มันซ้ายมันจะหนีอย่างเงี้ยแต่เมื่อเหมือนหมาเหมือนแมวที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะหมาแมวนี่มันเชื่องแต่ว่าโอ้โหเราไม่ให้อาหารแล้วมันกินซะหน่อยมันเดี๋ยวมันก็ตายความสัญชาติในการเอาเป็นตัวรอดของมันก็น้อยก็เป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่พาไปหามสัตวแพทย์อยู่เรื่อยแต่เพราะว่าความที่มันเชื่องทัศน์นเองหรือถึงเลี้ยงมันไว้แต่เช่นเดียวกันจิตของเรามีพลังมากกว่าเดิใจถ้าถ้าเป็นจิตที่ไม่เชื่องเนี่ย ไม่เกิดประโยชน์เลยใช้งานอะไรไม่ได้ <Okay. S 1> อ่าควรปล่อยไว้ในป่านะปล่อยไว้ในป่าแต่ถ้าจิตที่เชื่องเนี่ยนะควรเอาเข้ามาสู่เมืองนะควรจะใช้ประโยชน์ได้เแล้วคุณเป็นคนเมืองยังอยู่ในสังคมทํางานการต่างๆเนี่ยโอ้ยถ้าจิตคุณเป็นจิตป่านี่นะไม่ได้เล ย, เ, ยเดี๋ยวก็จีดเดี๋ยวก็กโกรธเดี๋ยวก็ปลิ้งปลัง่งเดี๋ยวก็ลุ่มหลงอะไรต่างๆนี่ยคือจิตที่ลักษณะว่าเป็นจิตป่าไงเคยเห็นบางคนที่แบบบา้บาๆนิด น, นึงแล้วก็ ทำอะไรที่พยากรณ์ไม่ค่อยได้นะแต่กระเพาสติแตกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาใช้คํากันอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราลุ่มหลงอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของเพลสติแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะควบคุมจิตของเราให้ได้นะเช่นเดียวกันพลังตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้คุณคิดการงานอะไรเมื่อจะสว่างขึ้นมาเคุณจะเอาไปจี้ในเรื่องของปัญหาต่างต่างมันก็แก้ไขได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหน้าที่การงานต่ัดก็เฉลุยขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงจํานวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าอาจจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเรามีความเพียนมีอะไรต่างอันนี้มันจะช่วยไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการฝึกจิตนี้สําคัญมากออันนั้นก็เป็นการตอบที่หนึ่งที่หนึ่งนะเจ้าค่ะคำถามที่สองที่คุณเกษรมนจากจังหวัดลาพูนเขียนถามมาก็บอกว่าที่จังหวัด ลำพูนของทางคุณโยมเกษรนม น, นี่เจ้าค่ะดีมีคนฆ่าตัวตายมากเลยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยะจะเป็นเพราะบาปกรรมอันใดเขาถึงฆ่าตัวตายเกิดมาเป็นคนก็ยากอยู่แล้วเขาคงจะไม่ทราบไม่ได้ฟังธรรมะส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ตกหรือว่าพอมีโรคภัยคุกครามไม่อยากเป็นภระแกะไ่ไครๆหรือว่าผิดหวังในความรักอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้น ก็คุณเกษรมนก็ขอกราบรัตนาพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนเจ้าค่ะได้ได้สากระฉาว่าบาปกรรมที่จะได้รับหลังจากที่ฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่องค์พระสัม ม, สมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้อันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้มีคนคิดฆ่าตัวตายกันอีกเจ้าค่ะนิมนเจ้าค่ะอันนี้อาตมา ก, ก็ตอบตามพระพเจ้าแล้วกันน ะ, ะถ้าบอกว่านักเขาเรียกว่านักประชากรศาสตร์ หรือว่านักสังคมศาสตร์เออนักสังคมศาสตร์เนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับอาตมาหรือไม่เห็นด้วยก็ก็กยกไว้ก่อนน ะ, อ, ะอันนี้เขาจะพูดตามที่พระเจ้าบอกขั้นตอนแรกก่อนนะคือถ้าเผืเราคิดว่าคนฆ่าตัวตายทุกคนเนี่ยจะไปไม่ดีนี่ต้องต้องอธิบายให้เข้าใจตรงนี้นิดนึ่งหน่าว่าเหตุปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าการตายแล้วจะไปที่ไม่ดีหรือที่ดีด น, นนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้กับพระอานนท์น่ว่าบางทีเนี่ย เ, เราตายไปเนี่ย าการตายของเราจากพบที่เราตายไปเนี้ยจากเป็นคนอย่างเงี้ยนะต่อไปคุณจะไปดีหรือไปไม่ดีนะอะไรเป็นตัวบอกแต่ผู้ชอบพูดถึงจิตสุดท้ายนะจิตสุดท้ายของบุคคลผู้นั้นนะบุคคลผู้หนึ่งตายจากโลกนี้ไปนะเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์หรือเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินดีนะอยู่ในครอบครัวที่ดีอันนี้ก็อยู่ที่จิตสุดท้ายของเขาหรือว่าเขาจะไปเกิดเป็นสัตนรกกําเนิดเดชานเปรี่ยนิสัยพวกนี้ อันนี้ก็อยู่ที่จิตสุดท้ายของเขาแต่ว่าจิตสุดท้ายตรงนี้ถ้าเป็นจิตสุดท้ายที่เป็นกุศลธรรมน่นเป็นกุศลธรรมน่นก็จะไปดีแต่ถ้าเป็นจิตสุดท้ายที่เป็นอ ก, กุศลธรรมน่นก็จะไปไม่ดีในที่นี้อะไรเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทําส่งผลให้จิตสุดท้ายตรงนี้คุณตัวใจว่าเพราะอะไรก็คือสิ่งที่เขาก็ทํามาก่อนนะเจ้าค่ะใช่สิ่งที่เขาทํามาก่อนก่อนแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะมาส่งผลให้จิตสุดท้ายตรงเนี้ดีหรือไม่ดี เอาเราพูดถึงทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในชาตินี้นะแต่สมมติในชาตินี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นเขาทาชั่วทําไม่ดีอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าเมื่อก่อนก่อนก่อนก่อนโนนโนนโนเนี่ยเขาทําความดีมาก่อนก่อนก่อนก่อนเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้จิตสุดท้ายตรงนั้นของเขาไปดีก็ได้นะเขาอาจจะตายแล้วไปที่ดีแต่ท้งที่ที่เห็นว่าในชาติปัจจุบันนี้เขาอาจจะไม่ค่อยทําดีเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปได้นะในทางตรงกันข้ามแลคนหนึ่งเราเห็นว่าชาตินี้เขาทาดีมากเลยมีการเสียสละมีการให้อภยัยมีการทาความดีทุกอย่าง เรารู้ไหมว่าก่อนก่อนก่อนก่อนนู่นนั่นๆๆนเนี่ยเขาทําอะไรที่ไม่ดีไม่ ด, ไมดีไม่ดีมาเนี่ยจนแม้มันส่งผลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้จิตสุดท้ายเข้าไปไม่ดีก็มีนะ อ, อันนี้<ท>ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีแล้วพราหม์ที่เขาเห็นอดีตอนาคตเนี่ยเขาก็มาคุยให้พระเจ้าฟังว่าเอา๊ะทำไมเพื่อนเขาสองคนนิสัยตรงกันข้ามคนหนึ่งทําดีกลับไปเกิดในนรกคนหนึ่งทําไม่ดีกลับไปเกิดบนสวรรค์อย่างเงี้ยพระเจ้าไม่ตอบเรื่องนี้นะแล้วก็ในวาระหลัง นะท่านอ น, นุท่านพระอนุลก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ตอบนิ่งไปนะพระมงคนั้นพอพระเจ้านิ่งไปก็เลยเดินกลับไปนะไม่ได้สนใจที่จะเอาคําตอบท่านพระอนลก็เป็นผู้ฉลาดนะก็เลยถามเรื่องนี้พระเจ้าก็เลยอธิบายตรงนี้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องจิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นอาการการตายเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างสมมตินคนฆาตตัวตายหรือคนที่ตายโดยโรคชราหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุตาย ประสบอุบัติเหตุตายแบบค่อยๆตายก็มีหรือประสบอุบที่เหตุตายแบบตายทันทีเลยตายทันทีอย่างเงี้ยถามว่าบุคคลบุคคลบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาจะไปดีหรือไม่ดีเนี่ยอาการที่ท่าทานที่เขาตายเนี่ยไม่ได้บ่งบอกได้เลยว่าเขาจะไปดีหรือไม่ดีนรืูอย่างพร ะ, ะมหมาโมคานาะของเรานะผู้เป็นอ克拉สาวเบื้องซ้ายแล้วก็ยังถูกทําร้ายจนกระทั้งตัวเจ็บต้องใช้วิชาประสานกระดูกจนเป็นเหตุที่ทําให้ท่านมรณภาพนั่นะก็มี ในคืนนี้เป็นลักษณะของคนที่ถูกรถชนมาโรงพยาบาลแล้วค่อยๆตายช้าๆอีกเจ็วันหรือห้าวันค่อยตายอย่างนี้ก็มีนอนตายคาไอซีก็มีแต่ถามว่าจิตเขาเป็นบกหรือเป็นลบมันอยู่ที่ว่าเขาควบคุมได้ไหมล่ะตอนจิตสุดท้ายคุณควบคุมได้ไหมล่ะทำให้บางคนไปคิดว่าเงั้นฉันไปคอยไปควบคุมตอนจิตสุดท้ายอ่านันคุณประมาทคุณประมาทคุณไปหวังน้ําบ่อหน้าซึ่งไม่รู้จะเจอหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าตอนนี้วินาทีนี้คุณยังควบคุมไม่ได้คุณจะไปหวังว่าควบคุมจิตสุดท้ายเหรออยากมาก นะเรื่องในสมัยพุทธกาลก็เคยมีมาแล้วแตนะว่าตอนนั้นเนี่ยภิกษุเนี่ยฆ่าตัวตายกันนะคุณตนใจทําไมถึงฆ่าตัวตายกันเพราะว่าพระเจ้าพูดถึงโทษของกายนี้แต่ทำให้พภิกษุทั้งหลายตอนสมัยนั้นเนี่ยแรกๆตอนทีเ่เริ่มประกาศาศาสนาใหม่ๆนี่นะภิกษุหลายเนี่ยฆ่าตัวตายกันเพราะว่าโอ้โทษกายนี้ทําไมมันแย่งงี้เนาะฆ่าตัวตายหรือไม่กระจ้างให้คนอื่นฆ่าตายแต่ทําให้เป็นต้นบัญญัติของอประชิกศีลข้อที่1 การห้ามฆ่ามรลอข้อที่สองขอไปการห้ามฆ่ามนุษย์นะพระเจ้าห้ามฆ่ามนุษย์ใครฆ่ามนุษย์หรือว่าบงการการฆ่าเนี่ยชื่อว่าผิดผิดกฎของพระข้อที่สําคัญเลยต้องออกจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายก็มีแล้วก็มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่พระเนี่ยรู้สึกปรองสังเวชในตัวเองนะตอนที่จิตเป็นสมาธิเอามีดปาดคอตัวเองนะจนกระทั่งาสามารถพราะคิดว่าถ้าสมาธิตกอีกเนี่ยคือมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเขาสมาธิ ข, ขึ้นล ง, ลงต ก, ตก ไ, ดได้อย่างเงี้ยทำให้เขาตกนี่ก็เป็นทุกข์มากได้สมาธิก็ดีใจมากตกก็เป็นทุกข์มากเป็นงนี้หลายรอบจนกระทั่งรู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองเอางี้แล้วกันฉันทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วฉันก็เนี่ยตามาเริ่มพูดเร็วนะคุณเดินใจต้องพูดช้าๆหน่อยนะพูดช้าๆหน่อยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอพอจิตเขาเป็นสมาธิเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันเฉพาะจิตฉันเป็นสมาธิฉันจะต้องตายตอนนี้แหละเพื่อให้อย่างน้อยฉันไปสวรรค์ก็เลยเอามีดปาดคอตัวเองณระหว่างที่เลลลลือออออกกกําาาังไหมมี่ย ก็เห็นถึงความสลดสังเวชว่าโอ๊ยเราทําไมทําอย่างนี้มันไม่ดีเลยปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้เนี่ยเขาบรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ตายไปเดี๋ยวนั้นก็มีแต่เพราะนั้นไออาการการตายนี่ประเด็นที่1ที่ว่าอาการการตายเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเขาจะไปดีหรือไม่ดีแตเพราะนั้นถามว่าตายแล้วไปไหนกันแน่นี่ประการที่2ถามว่าตายแล้วเนี่ยถ้าคนคิดดีก็ไปดีแต่คนคิดชั่วก็ไปชั่วไปไม่ดี แตที่ที่ไม่ดีมีเช่นอะไรบ้างโอ้ใหญ่พูดเลยนรกกาเนิดโดยฌานเปรตพิสัยนะเหมือนกับคุกที่ถูกจองจําข้ามพบข้ามชาตินะอย่าได้คิดถึงอย่าได้ไปเลยแตที่ที่ดีก็คือมนุษย์ที่เกิดในตระกูลสูงนะเทวดาสวรรค์อินพรหมพวกนี้เป็นที่ดีนะพยายามไปให้ได้ไปให้ถึงไปให้ได้นะส่วนอีกที่หนึ่งก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นที่หรอกแต่เตถ้าไม่มีเชื้อแห่งการเกิดแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าระดับไปดับไปแล้วผู้ช่ใช้คํานี้คืออย่างพระอรหันเนี่ย พระอรหัพอกายนี้สูญสิ้นไปเนี่ยจิตนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเปนเลวไฟที่ดับไปแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่นิพ่านนั่นเองเใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าคนที่เขาตายไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปไหนกันแน่อันนี้ประเด็นที่อาจารย์แล้วกันชี้ไว้แล้อย่ง <ค cision S 1> า, ยายงไรก็ตามพระเจ้าเคยพูดเอาไว้ว่าพูดถึงช้างศึกเนี่ยนะที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยคือหรือยังไม่ได้รับการฝึกเนี่ยคือถ้าฝึกแล้วยังฝึกไม่เสร็จตายไปเนี่ยก็ชื่อว่าช้างที่ยังฝึกไม่เสร็จตาย นะหรือช้างที่ฝึกเสร็จแล้วจะเป็นยอดช้างอาชาในเนี่ยก็คือช้างที่ฝึกเสร็จแล้วแล้วทำการกาละไปตายไปนะเช่นเดียวกันกับพระอาหานตที่ที่เป็นพระอาหารแล้วตัวเองฝึกจนตัวเองจะนั่งตัวเองเป็นพระอาหาันตะ์ละนะตายไปนะชื่อว่าช้างที่ทําการฝึกแล้วนะส่วนบุคคลอื่นเนี่ยที่ยังไม่ได้ฝึกนะจิตยังไม่รู้อะไรนะดีบ้างเลวบ้างนะยังต้องมีเชืออ้อแห่งการเกิดหรืออยู่ตายไปก็ชื่อว่าเอ่อตายไปทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จ อนนี่ก็คือประเด็นเพประเด็นสุดท้ายตรงนี้ที่อาจะมาอยากจะฝากไว้ก็คือว่าบางทีคนคนเขาฆ่าตัวตายเนี่นะคนทั่วทั่วไปมาคิดว่านะคนทั่วทไปเนี่ยมีความอยากอยู่อย่างหนึ่งคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่ได้อย่างที่ชั้นตัวเองมีอยู่ตอนนี้จึงคิดที่จะฆ่าตัวตายอย่างเช่นว่าพระที่ฆ่าตัวตายในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีความอยากที่จะไม่อยากได้กายนี้อ่ะมันมันน่าขยะแขยงน่าทุเรศน่าเกลียดน่าไม่อยากได้ เองี้กันฉันลากายนี้ซะตายดีกว่าแต่ทีนี้มันพลิกผันตรงที่ว่าพอตอนที่คุณใกล้จะตายคุณปล่อยวางได้หมดคุณเป็นพระอรหันต์อันนี้โชคดีมากโอเคแต่เหตุปัจจัยที่ทาให้ท่านมาฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะว่าความที่ท่านยังมีวิภาวะตัณหานะวิภาวะตัณหานี่หมายถึงความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น อ, อย่างเราพูดถึงคนจนคนที่แร้งแค้นอย่างเงี้ยฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะหรืออย่างเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวหมอที่ ท, ที่กรดตึกตายใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ทราบว่าตํารวจเขาพิสูจน์มาว่าอย่างไรนะ <Okay. S 1> แต่ก็ถ้าไม่ได้เป็นเขตของการฆาตกรรมนะ mm hmm. หรืออาชญากรรมเนี่ย mm hmm. ก็ถ้าตัวเขาเองไปฆ่าตัวตายเองเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมีความที่อยากที่จะไม่ได้อะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้แล้วก็ถึงจากโลกนี้ไปแต่ประนนี้ก็เป็นตันห า, านถ้ายังมีตันหาอยู่ mm hmm. คุณต้องไปเกิดใหม่แน่นอนใ <Okay. S 1> นะที่นี้ตันหาอัศวะตรงเนี้ถ้าเป็นอัศวะชนิดที่ทําให้เกิดเป็นเทวดาคุณก็ไปเป็นเทวดา ถ้าเป็นอาสวะตัณหาอาสวะชนิดที่ทำให้เกิดคุณเกิดเป็นพรมคุณจะไปเป็นพรมถ้าเป็นตัณหาอาสวะชนิดที่ทําให้คุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกคุณก็จะไปเป็นสัตว์นรกนแต่เพะะนั้นก็อยู่ที่จิตตรงสุดท้ายตรงนั้นของเขาแล้วอย่างหนึ่งนะคือคนสมมุติว่าที่ตายคาที่เลยนะี่คุณจะใจนะตายคาที่เลยนะี่นะมันก็ไม่ใช่ว่าตายเลยนะคือห ม, มายความว่าอย่างสมมุติว่ามีอะไรตกมาทับหนักๆตุ้มจนกระทั่งตัวเลกไปเลยนี่นะ ระหว่างวินาทีตรงนั้นเนี่ยวินาทีที่เหล็กกําลังมาทับหัวเขาจนกระทั่งหัวเขาเลื่อนย่นย่นย่นลงมาจนถึงขาเลยเนี่ยนะแล้วก็บี้แบรนไปเลยเนี่ยนะณตรงนั้นก็ยังมีช่วงเวลา1วินาทีอยู่นะหรือเสี้ยววินาทีตรงนั้นเนี่ยนะเสี้ยววินาทีตรงนั้นหรือ1วินาทีตรงนั้นเนี่ยยังมีเวลาที่จิตยังเปลี่ยนไปยังไปได้หลายขณะเลยโดยซ้ำนะคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยถ้าขนาดนั้นคุณพิจารณาอะไรไม่ได้หรอกไม่แน่ไม่แน่ <Okay. S 2> ว่าจิอาจจะปลายวางได้จิตอาจจะคิดไปเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะนั้นอาจจะมาก็จะต้องบอกในลักษณะนี้ว่าเออเราควรจ ะ, ะให้กําลังใจคนที่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้เราเห็นว่าคนนี้จะฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะเขาถูก ว, วิภะวะตัญหาเข้าครอบงําแน่นอนใช่ไหมเขาถึงคิดฆ่าตัวตาย <Okay. S 2> เพรา ะ, ะนั้นเราเป็นเพื่อนเนี่ยเราควรจะ พูดถึงอุบายวิธีใดที่จะปล่อยวางตัณหาได้หรือที่คุณไม่ต้องตายเพราะว่ากายนี้เนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ในการที่สร้างบุญสร้างกุศลได้อยู่ใช่ไหมเพราะเราจะใช้กายนี้ในการสร้างบุญสร้างกุศลได้อยู่แล้วเราจะตายทําไมเราสู้ว่าเราอยู่แล้วเราก็ปล่อยไอ้จิตไอ้จิตที่มันมากัดกินจิตเราเนี่ยนะเราปล่อยวางตัวนั้นฆ่าตัวนั้นซะอย่าไปฆ่าตัวเราเองนะฆ่าไอ้ที่มันมากินจิตของเราเนี่ยนั่นแหละคือวิภวตัณหามันมาครอบงําจิตเราให้มันไปเป็นอย่างอื่นพอเป็นอย่างนี้แล้วพอเรา การตรงนั้นได้เนี่ยนะเรายังใช้กายนี้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยจะพูดสรุปไว้ตรงนี้ว่าถ้าบอกว่าเจอคสรสักคนหนึ่งที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายเราคุณจะให้กําลังใจกันให้รู้วิธีในการที่จะเส้นทางอื่นยังมีอีกไม่ใช่ทางเดียวในโลกนี้มันไม่ได้มีทางเดียว<จ>คื อ, ค, อคือทางเดียวเนี่ยหมายถึงมรคนั้นเองทางเดียวคือทางเอกคือมรนั่นเองถ้าเราเดินตามมรมรนี่นไม่ได้บอกให้ฆ่าตัวตายเลยแต่ให้คิดดีๆ ด, ด, ด้วยซ้ำให้ละตนาด้วยซ้ํา ถ้าเราแนะนําทางที่ถูกต้องคือมักให้เขาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพ้นภัยต่างๆไปได้นะเจ้าค่ะและที่ เ, เรารับทราบกันมาโดยเสมอมาก็คือว่าการที่เราฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นบาปกรรมที่หนักหนาอยู่นะเ จ, จ้าค่ะใช่มันเป็นปานาติบาตแน่นอนละเจ้าค่ะเพราะฆ่าตัวเองแล้วนะคือสัตว์ที่วิลมถือว่าเอาทรัพย์อันจะขอไม่ได้ให้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็คิดว่ า, าทางท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะรวมทั้งคุณโยมเกศรน์มน์ซึ่งถามมาจากจังหวัดลําพูนนั้นก็คงจะเข้าใจประเด็นคําถามทั้งสองประเด็นแล้วนะคะเวลาในรายการธรรมาราปรุลช้าวันนี้หมดลงแล้วคะ่ะก็คงจะต้องข อ, อนําทผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมรดกการอาขอพระคุณอย่างสูงแด่พระอาจารย์ภัยบูลณอภิพุนโนคะ่ะองค์ปาถกประจํารายการธรรมาราปุลของเราจากวัดป่าดอนไหโศก ที่ตำบลนนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะรวมทั้งกราบขอบคุณพระเดชพระคุณของพ่อดอรสะอาดที่ตัวพโสท่านจะเอาวาดวัดป่าดอนไหโศกด้วยค่ะสําหรับเช้าวนันนี้ก็ขอกราบขอบคุณแล้วก็กราบนมัสการลาเลยเนะเจ้าคะ่ะจนกว่าจะพะุทธคใหม่สัปดาห์หน้าในช่วงของการสากรชาเหมือนเดิมเจ้าคะ่ะกราบนมัสการเจ้าคะ่ะพระจเจ้าคะ่ะเจ้าปอนสาทุเจ้าคะ่ะ